จริงจสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเราทุกวันนี้นะเยอะกว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อแล้วครูบาอาจารย์เวลาสอนสอนนิดเดียวไม่พูดเดยอะเลยอย่างหลวงพ่ออธิบายการดูจิตทำอย่างนี้นี้นะีเยอะแยะเลยหลวงพู่ดูลสอนดูจิตคำเดียวดูจิตให้ไปดูจิต ไปดูแล้วก็ไปส่งกันบ้านท่านครั้งแรกไปดูอยู่3ามเดือนท่านบอกทำผิดคือไปประคองรักษาจิตนั่นแหละไปรักษาตัวรู้เวลาจิตไหลไปรวมกับอารมณ์นะไม่ยอมหาทางแก้ไขเนี่ยจิตจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแนละ้วบอกเนี่ยดูจิตรักษาจิตอยู่เฉยๆไม่ได้ว่าดูจิตยังไม่ได้เจริญปัญญาดูก็ต้องเห็นไตรลักษ พอดูเป็นแล้วถึงรู้ว่าจริงๆแล้วที่ท่านสอนให้ดูจิตดูจิตมันถึงขั้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตไปดูสิ่งที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์มาอีกทีหนึ่งท่านก็สอนไตรลักษณ์สอนบอกว่าสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน บอกให้ไปพิจารณาตัวนี้หลวงปดูลมาพิจารณาธรรมะนี้มาดูสังขารกับสัญญาไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสังขารก็คือความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงเลวบ้างปรุงกลางๆงไม่ดีไม่เลวบ้างสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้บางครั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วสัญญาเข้าเข้าไปแปลความ สังขารก็ทํางานต่อบางทีใจกระทบเฉยๆตาไม่ได้กระทบใจกระทบเฉยๆ ใ, ใจมันตรึกในอารมณ์สัญญาผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะคิดเรื่องเนี้ยจิตมันคิดขึ้นมา ม, นมันจําเรื่องนี้ขึ้นมามันตรึกเรื่องนี้ขึ้นมาแจีก็เข้าไปปรุงต่อบางทีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดเวทนาขึ้นมา พอมีเวทนาขึ้นมาแล้วจิตก็ปรุงต่อนั้นอาศัยเวทนามีภัตตาเกิดเวทนาขึ้นมาสังขารก็ปรุงต่อก็ได้เช่นเราคิดเรื่องนี้มีความสุขก็มีความสุขสังขารก็ปรุงราคะแทรกคิดเรื่องนี้มีความทุกข์สังขารก็ปรุงมีโทสะแทกอาศัย สุขทุกข์เป็นจุดตั้งต้นแล้วสังขารก็ทํางานต่อก็ได้เวทนาเป็นจุดตั้งต้นแล้วสังขารทํางานต่อก็ได้อาศัยสัญญาเป็นจุดตั้งต้นแล้วสังขารทํางานต่อก็ได้อยู่ๆหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาใจก็เกลียดนะอย่างคนนี้เคยแย่งแฟนกับเราอะไรเงี้ยเกลียดมันหลังคนนี้ตัวร้ายอย่างนี้อย่างนี้อาศัยสัญญาและเวทนาเนี้ ทำให้สังขารปลุงขึ้นมาได้เน็นบางทีท่านก็เรียกว่าสัญญาและเวทนาว่าจิตตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งจิตการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตแต่ต้องดูความเกิดดับของจิตนี้จิตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแสงสีไม่มีอะไรร่องรอยอะไรที่จะสังเกตที่จะสัมผัสมันได้ง่ายๆคือความรู้สึกเนี่ยสัมผัสยาก วอะไรรู้สึกก็อาศัยการรู้ทันเวทนาบ้างรู้ทันสัญญาบ้างแล้วมันก็ปรุงสังขารขึ้นมาพอรู้ทันสังขารมันจะเห็นว่าจิตนั้นมีหลายชนิดเป็นจิตที่เป็นกุศลก็มีเนี่ยสังขารมันมาปรุงจิตทำให้จิตเป็นกุศลบ้างสังขารมาปรุงจิตทำให้จิตเป็นอกุศลบ้าง สังขารมาปรุงจิตทําให้จิตเป็นกลางๆไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลบ้างอาศัยสังขารมาปรุงแต่งจิตหรืออาศัยเวทนาก็ได้จิตดวงนี้มีความสุขจิตดวงนี้มีความทุกข์จิตดวงนี้ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เราอาศัยสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตสิ่งที่มาประกอบกับจิตนทําให้เราสังเกตถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของจิตได้ จิตนั้นไม่มีร่องรอยไม่มีรูปรักงอะไรเลยเหมือนแก๊สที่เราใช้หุงข้าวไม่มีสีไม่มีกลิ่นนี้เขาต้องการให้รู้ว่าแก๊สรั่วหรือไม่รั่วเขาเติมกลิ่นเข้าไปก็เลยรู้ถึงความมีอยู่ของแก๊สเนี่ยจิตนี้ก็เหมือนกันไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีรูปร่างง น, นการที่จะเห็นจิตเกิดดับนั้นเราต้องเห็นผ่านสิ่งซึ่งเกิดประกอบกับจิต อาศัยเวทนาเช่นเห็นว่าจิตที่มีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตที่เฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอาศัยสังขารก็ได้นะจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหู่จิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วดับ จิตเป็นกุศลที่เกิดดับง่ายดูง่ายๆนะคือวิริยะวันนี้ตั้งใจจะทําทความเพียร น, นะตั้งใจได้เดี๋ยวเดียวนะก็ขี้เกียจละ ว, วิริยะหายดูง่ายๆสติดูยากหน่อยมันละเอียดสติบางวันก็เกิดบางวันก็ไม่ยอมเกิดจ้างก็ไม่เกิดบางวันไม่ได้ทำอะไรกเ็เกิดเอาเกิดเอาสติเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะ สมาธิบางวันจิตก็ตั้งมั่นบางวันจิตก็ฟุ้งซ่านอาศัยดูอย่างนี้ก็ได้แต่สมาธิเป็นธรรมที่เป็นกลางๆเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้อาคุศลก็ได้ไม่เหมือนอย่างวิริยะไม่เหมือนสติไม่เหมือนศรัทธาศรัทธาที่มีเหตุมีผลถ้าศรัทธางมงายมันเป็นโมหะโง่ๆนะสมาธินี่เกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้ อากุศลก็ได้อย่างผู้รายย้ายจะไปยิงคนก็ต้องมีสมาธิงั้นมีสมาธิไม่แน่ว่าจิตจะดีเสมอไปแต่มีสติเนี่ยจิตดีเสมอไปถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตเร็วเมื่อนั้นเลยธรรมะมันไม่ได้เท่ากันทุกตัวสภาวะธรรมแี่เราจะเห็นเลยจิตมันหลากหลายจิตดวงนี้มีสติจิตดวงนี้ขาดสติ จิตดวงนี้ตั้งมั่นจิตดวงนี้ไหลไปเราจะเห็นว่าจิตมีหลากหลายจิตมีหลายชนิดในตำรายแยกจิตเอาไปทั้ง89ชนิดนะดวง89อย่างแยกละเอียดได้ตั้งร2อยอย่างนะแยกละเอียดออาีกมีเยอะแยะเลยจริงๆ จ, จ, จิตมีอันเดียวคือธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์แต่มันมีจิตชนิดน้นชนิดนี้ขึ้นมาเพราะมีสิ่งที่มาเกิด ร่วมด้วยสิ่งที่มาเกิดร่วมด้วยด้วยว่าเจตสิกก็ได้แก่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะอาศัยสิ่งเหล่านี้องตัวที่หลากหลายที่สุดคือตัวสังขารปรุงมากมายมเยอะแยะมีมากที่สุดมันทำให้จิตนั้นวิจิตพิสดาร จิตดวงนี้ประกอบด้วยเวทนาอย่างนี้ประกอบด้วยสังขารอย่างนี้ก็เป็นจิตลักษณะนี้จิตอีกดวงหนึ่งประกอบด้วยเวทนาอย่างนี้ประกอบด้วยสังขารอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่เรามาเฝ้ารู้นะเราจะเห็นจิตนั้นเกิดดับจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับเราจะดูจิตเกิดดับตรงๆไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ดู เราก็เห็นในจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหูเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเนี่ยดูเกิดดับยากแต่จิตอกุศลเนี่ยดูเกิดดับง่ายเพราะในขณะที่เรามีสติเนี่ยจิตที่เป็นกุศลยังดําเนินต่อไปได้ อย่างจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิต ท, ที่รู้สึกตัวมีสตินะรู้ทันตัวเองมีความตั้งมั่นมีสมาธิมันรู้ตัวเองอยู่ดวงนี้ดับไปอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาหน้าตาเหมือนเดิมเปียกเลยแล้วก็ดับไปเกิดอีกดวงหนึ่งหน้าตาเหมือนเดิมเปียกเลยอย่างจิต ท, ที่รู้สึกตัวจิตเป็นกุศลขึ้นมารู้สึกตัว งั้นเราจะรู้สึกไม่ออกว่าจิตเกิดแล้วดับเราจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวเลยพระถ้าภาวนาจะมาถึงเป็นจิตผู้รู้นะเพราะมันจะเกิดซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำไปงั้นจิตที่เป็นกุศลนะดูยากกว่าจิตอกุศลซะอีกจนะจิตอกุศลนั้นมีลักษณะพิเศษคือทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับทันทีเพราะฉนั้นอย่างใจเราหลงอยู่ทันทีที่รู้ว่าหลงนะ ความหลงจะดับทันทีจิตหลงจะดับทันทีงั้นเวลาหัดดูนะเบื้องต้นสังเกตให้ดีท่านสอนให้ดูจิตที่มีกิเลสก่อนดูกราพิกซูทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะดูจิตมีกิเลส ท, ทันทีที่เห็นจิตมีราคะจิตที่มีราคะก็ดับทันทีเลยท่านก็สอนต่อดูกราพิกซูทั้งหลายจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะ ดูครพัพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเนี่ยดูกิเลสก่อนดูครัพิสูจทั้งหลายจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะทันทีที่เรารู้ว่าจิตมีโทสะโทสะจะดับอัตโนมัติเงั้นเรารู้ทันกิเลสเนี่ยดีดูง่ายทันทีที่เห็นจิตม ட, ีกิเลสปุ๊บมันจะดับทันทีเลยจะเกิดแล้วดับทันทีตอหน้าต่อตามจะเห็นเกิดดับได้ทียิบเลยเพราะงั้นอย่าดูถูกกิเลส กิเลสเป็นครูที่เข้มงวดกว่ากุศลซะอีกกุศลแสดงใจรักให้ดูยากมากนะแต่กิเลสเนี่ยแสดงใจรักเร็วมากเลยแค่มีสติมีจิตตั้งมั่นมาเป็นคนรู้ทันอากุศลก็ดับละกิเลสดับละงั้นเราพานานเราจะไปเกลียดกิเลสมันแต่ไม่ใช่ยอมตามใจมันกิเลสเกิดสติรู้ทันไหมกิเลสดับเดี๋ยวก็เกิดอีกเกิดตอนไหน เกิตอนตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะก็ปรุงกิเลสขึ้นได้อีกความจริงตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดกุศลก็ได้แต่ส่วนใหญ่ชอบเกิดกิเลสวันวันหนึ่งจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดน้อยมากเลยในขณะจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยเกิดบ่อยมากเลยเงี้นเราคอยรู้เท่าทันนะ คนไหนสะสมนิสัยขี้โลบมาเจออะไรก็อยากหมดเลยก็ดูจิตมีราคาไปใช้จิตที่มีราคาเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นบ้านคอยรู้ทันเวลาจิตมีราคาขึ้นมาจิตมีราคาตาตามองเห็นก็เกิดราคะก็รู้ทันว่าจิตมีราคาก็จะเห็นว่าราคาดับไปจิตที่มีราคาก็ดับไปเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแทน แล้วแป๊บเดียวพอหูได้ยินเสียงจิตเกิดราคะอีกแล้วนะก็มีสติรู้ทันจิตที่มีราคะจิตที่มีราคะก็ดับไปเกิดจิตไม่มีราคะขึ้นมาเนี่ยการเดินตัญญาเขาเดินกันอย่างนี้นะในที่สุดจิตมันยอมรับความจริงว่าจิตทุกชนิดนั่นแหละเกิดแล้วดับจิตนั้นเป็นศูนย์กลางของของชีวิตเราเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลัน เรารู้จักรวาลทั้งจักรวาลรู้ออกไปจากจิตนี้เองรู้โลกทั้งโลกก็รู้ออกไปจากจิตนี้เองถ้าวันใดเห็นว่าจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเราจะรู้เลยว่าโลกทั้งโลกนั้นแหละเกิดแล้วก็ดับไปอย่างวัตถุไมโครโฟนเนี้ยเราดูว่าอายุยืนจิตเกิดดับไปเยอะแล้วยังดูมันเหมือนเดิมแต่ขณะที่มันปรากฏต่อเราเนี่ยมันปรากฏเพราะจิต สิ่งต่างๆมีอยู่มากมายนะจิตไม่ได้เข้าไปสัมผัสจิตไม่ได้เข้าไปรู้ไม่ได้ปรากฏให้เรารู้ถ้าเมื่อไรจิตไม่รับสัมผัสอันนั้นนะสิ่งนั้นมีอยู่ก็เหมือนไม่มีมันก็เหมือนดับไปแต่ดับไปจากความรู้สึกตัวมันอาจจะยังอยู่นะตัวรูปนี่อายุยืนกว่าตัวน้าวัตถุอายุยืนกว่าจิตและจิตเกิดดับไปหลายทีวัตถุถึงเกิดดับทีหนึ่งมันเกิดดับเหมือนกัน ถ้าวัตถุไม่มีความเกิดดับอยู่ภายในมันจะไม่เก่าคล่ำคล่าได้หรอกมันจะไม่ผูพังได้หรอกแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงช้ามันดูยากตัวมันเองก็เกิดดับแต่ตัวสิ่งที่สำคัญแล้วก็คือถ้าจิตไม่ออกไปสัมผัสมันถึงมันมีอยู่ก็เหมือนไม่มีมันดับไปด้วยความรู้สึกดับไปจากความรู้สึกอย่างสมมติว่าพายุมาฟ้าผ่าฟ้าขนองเรี้ยงป้งเพี้ยงปป้งฝน ซัดอย่างรุนแรงอายุหมุนตุมตำฟ้าก็ผ่าแล้จิตรวมลงไปนะจิตตัดการรับรู้พายนะุโลกทั้งโลกหายไปหมดเลยไม่มีพายุไม่มีโลกแล้วนะเหลือแต่จิตดวงเดียวงั้นจิตนี้แหละเป็นตัวที่ออกไปรับรู้สิ่งต่างๆแล้วจิตนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสําคัญมั่นหมายว่าคือตัวเรานะคือตัวเราอย่างแท้จริงของอื่นนั้นเป็นแค่ของเราเท่านั้น แต่จิตเนี่ยเราจะสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราอันนี้สําหรับผู้ปฏิบัตินะแต่สําหรับคนทั่วไปในร่างกายนี่เขาก็รู้สึกว่าคือตัวเราแต่พอเรามาภาวนาเข้านะเราจะรู้ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็เป็นวัตถุเป็นส่วนส่วนไปตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเคยเล่นเกมวิ่งไล่จับกันเราก็เป็นคนไล่จับเพื่อนก่อน ต่ครุบตัวได้นี่จับตัวได้แล้วมันต้องเป็นคนไล่เราเป็นคนหนีหลวงพ่อไม่รีบหนีหลวงพ่อเดินช้าๆมันรู้สึกหมูมากเลยนะมันโดดเขาจับมือเลยจับตัวได้แล้วนี่จับมือต่งหะกชักงงยังไม่ได้จับตัวปะมันรัดเอวเลยนี่จับตัวได้แล้วเฮ้ยนี่จับเอวอ่ะเสร็จแล้วมันงงเลยนะนเด็กเล็กๆนะเล่นอย่างนี้นะ เล่นแยกอาการสามสิบสองแล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราอะตอนนั้นไม่รู้หรอกนะว่าเป็นกรรมฐานไม่รู้หรอกใจที่มันคุ้นเคยกับกรรมฐานขนาดเล่นเกมนี่ยังเล่นเกมเป็นกรรมฐานนะสุดท้ายเพื่อนมันสรุปคําเดียวไอ้ขี้โกงน้อยมันสติปัญญาไม่พ้อมว่าเราขี้โกงตัวไม่มีไหมร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัวเราะ แยกออกไปแล้วผมเป็นตัวเราหรือขนเป็นตัวเราหรือเล็บเป็นตัวเราหรอถ้าเป็นตัวเราไปตัดผมก็แย่สิผมขนเล็บฟันหนังกระทั่งแข้งขานะคนเป็นเบาหวานไปจ้างให้หมอตัดขา<ม>ตัวเราหรอตัดได้นะเปลี่ยนเป็นท่อนๆไปเปลี่ยนเป็นส่วนๆกระดูกหักก็เปลี่ยนกระดูกเอาเหล็กใส่แทนอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราภาวนาเราจะเห็นเลร่างกายไม่ใช่ตัวเรา แต่ตัวที่รู้สึกเป็นตัวเราคือจิตร่างกายลดระดับลงเป็นแค่ของเราคนไม่ภาวนาเลยก็รู้สึกร่างกายเป็นตัวเราแต่อย่างพวกเราหัดภาวนาใหม่ๆจะรู้สึกร่างกายเป็นของเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเรานะอันนี้ไม่ต้องนับของข้างนอกหรอกบ้านของเราครอบครัวของเราอ น, นี้คนอื่นๆมันก็รู้สึกแต่นักปฏิบัติจะทวนเข้ามาหาตัวเองจะรู้สึกอยู่ในนี้มีเราอยู่คนนึง เราตอนเด็กๆ ร, ร่างกายเด็กๆกร่างกายดีเนีนี้คลนแต่ความเป็นเราในนี้เป็นคนเดิมรู้สึกว่าจิตเป็นคนเดิมถ้าวันใดที่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะโลกทั้งโลกจะไม่มีเราอีกต่อไปถ้าวันใดไม่ยึดถือจิตทั้งโลกนี้จะไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นตัวตัดสินจริงๆเลยเป็นใหญ่เป็นประธานในสิ่งทั้งหลายกรนะะทั่ง เราจะรู้โลกรู้จักรวาลร่วงอกไปจัดจิตนี่เองรู้สิ่งอื่นรู้คนอื่นรู้กายร่วงออกไปจัดจิตนี่เองก็เลยสําคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นตัวเราถ้าเราเห็นจิตเกิดดับหนึ่งเนืองจิตเกิดดับเห็นผ่านเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เกิดแล้วดับเห็นหนึ่งเนือง ซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีนะเจ็ปีไม่พอดูมันไปอีกหลายๆชาติหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ ม, มั่นรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกพ้นร้อนแล้วท่านบอกตอนนั้นท่านไม่ได้อะไรเลยแต่ท่านก็เสียใจท่านก็บอกว่าถึงชาตินี้ไม่ได้อะไรเลยนะอีกร้อยชาติก็จะภาวนาเนี่ยใจของนักปฏิบัตินะต้องเข้มแข็งขนาดนั้น ชาตินี้ไม่ได้อะไรอีกร้อยชาติก็จะภาวนาไปเรื่อยไม่ยอมหยุดหรอกมันต้องสําเร็จเข้าสักวันนึงนี่เป็นใจที่ได้ยินนะได้ยินประโยชน์ของท่านพูดประโยชน์นี่นะกราบท่านเต็มไม้เต็มมือเลยท่านอาจจะไม่ได้ภาวนาได้อย่างหลวงตามหาบัวนะแต่ท่านมีคุณธรรมที่สอนเราได้สอนให้อดทนนะภาเพียนไม่ท้อถอยตั้งใจมั่นนี่ก็เป็นคุณงามความดีพวกเราก็เหมือนกันนะภาวนาไป เห็นจิตมันเกิดดับไปจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วเกิดดับไปเรื่อยถ้าบุญบารมีเก่าสะสมมาพอแล้วชาตินี้เราก็ได้มรรคผลไปบารมีเต็มที่ชาติก่อนๆเคยได้ธรรมะมาแล้วอย่างเงี้ยบารมีเต็มแก่รอบแล้วก็ค้าพบพข้าชาติไปบารมีอย่างน้อยก็สะสมไปนะชาติต่อๆไปก็ได้อีกมันจะคุ้นเคยกับการปฏิบัตินะ มันไม่ลืมแต่ถ้าเรียนปริยัติเนี่ยลืมเรียนปริยัตอีกร้อยชาตินะก็ลืมทั้งร้อชาติไม่ต้องลืมร้อยชาติหรอกอย่างเราเรียนปริยัตเนี่ยถามพวกพระสอบนักธรรมเนี่ยแหละพอสอบเสร็จก็เริ่มลืมแล้วล่ะเรียนปริยัตนะแป๊บเดียวก็ลืมแต่ถ้าเราภาวนานะเราปฏิบัตินะดูของจริงเข้าไปนะมันจะฝังเข้าที่ใจมันจะเป็นความคุ้นชินที่ฝังเข้าไปอยู่ในใจเราเลยการภาวนา ถ้าชาตินี้ไม่ได้นะชาติต่อไปง่ายแต่ชาตินี้เราไม่ทำชาติต่อไปก็ยากมันยากบางคนรู้สึกภาวนายากรู้สึกไหมแต่บางคนก็ภาวนาง่ายทำไมง่า ย, าายเขาเคยทำ้ำไมยากเขาไม่เคยทำไม่คุ้นเคยที่จะทำงั้นพวกเราขยันนะขยันนะถ้าบารมีเราพอละเราก็ได้มักผลในชีวิตนี้แหละอย่างน้อยโสดาเอาให้ได้ หลวงพ่อบอกอะไรให้อย่างหนึ่งว่าพวกเราบารมีไม่น้อยหรอกคนที่สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนมากไม่ใช่พวกชาติแรกหรอกแต่พวกชาติแรกๆที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยทำแล้วก็หายไปนานๆ น, น, นะไม่ค่อยทําจริงอะ่ะฟังๆไปก็ขี้เกียจฟังแล้วขี้เกียจอย่างเงี้ยไหลกลับอยู่นานที่เป็นร้อยกลับพันกลับนะนิสัยไม่ค่อยดีขี้เกียจ กว่าจะสะสมความคุ้นเคยที่จะภาวนาใช้เวลาเยอะมากเลยนี่พวกเราสนใจการปฏิบัติมาที่นี่ไม่มีอะไรเลยเห่นไหมไม่มีกิจกรรมอะไรให้เล่นไม่มีอะไรพิสูจนพิเศษของสวยของงามไม่มีให้ดูไม่มีอะไรสักอย่างแต่ทาไมเรามาล้วเราสนใจธรรมะภาคปฏิบัติจริงๆนั้นบารมีไม่น้อยหรอกแต่ละคนะ ถ้าบารมีน้อยคงไม่มาถึงนี่หรอกนะไปขอผัวอยู่วัดอื่นนละวมีไหมออกจากวันนี้จะไปขอผัวที่อื่นถือเป็นผลประโยชน์นี่ของพวกนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรให้คอยรู้ทันของเราเองรู้ทันกิเลสไปนะสิ่งเหล่านี้อาพิยงพิญญาไม่สําคัญหรอกหูทิพตาทิพรู้จิตคนอื่นอะไร น, นี่ไม่สําคัญออไม่ช่วยลดกิเลสหรอก ให้ลูกของเราเองกิเลสะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันกิเลสะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันนะหรือบางคนแบบกิเลสน้อยดูกิเลสไม่ชัดน่าดูความสุขความทุกข์ได้มีความสุขขึ้นมารู้ทันมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ได้มันก็เห็นจิตเกิดดับเหมือนกันการที่เราเห็นจิตเกิดดับเนืองๆ น, นะสุดท้ายจิตมันก็สรุปมันยอมรับความจริงว่าจิตนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้น จิตทุกชนิดเกิดระดับทั้งสิน้นก็เมื่อจิตเป็นแกนกลางของโลกของจักรวาลของชีวิตเนี่ยเมื่อจิตเกิดระดับทั้งสิน้นะชีวิตนี้เกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นโลกนี้เกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นจักรวาลนี้เกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นมันจะเข้าใจเนื่องกันไปนะแต่ไม่ใช่คิดเอาอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านแจมแจ้งเลยว่าจักรวาลนี้เกิดดับแน่นอนท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะนะว่ามันเกิดดับยังไง แต่ท่านรู้ด้วยจิตด้วยใจสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับท่านรู้แน่นอนไม่มีความสงสัยเลยเนี่ยอันนี้เกิดดับไหมถ้ามันไม่เกิดไม่ดับมันจะไม่เก่ามันก็คงที่ใหม่ตลอดนิรันดรเงี่ยมค่อยๆผุไปเรื่อยสลายตัวไปเรื่อยอยู่ไม่ได้ฉะั้นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราเห็นแจ้งนะว่าจิตนี้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราก็จะแจ้งขึ้นมาว่า สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างนี้ก็ได้ธรรมะได้ธรรมะเบื้องต้นต่อไปก็ภาวนาต่อไปอีกเห็นจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วนี้แหลเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาจิตทุกชนิดนะหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเหมือนที่เคยนึกแต่เดิมคิดว่าจิตคือตัวเรานะ เรมาหัดภาวนาทำสมาธิได้โอ้จิตนี้เป็นของวิเศษภาวนาแล้วมีความสุขสุดยอดเลยสติปัญญาแก่รอบจริงๆเราเห็นจิตเราเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยจิตเองก็ยังเกิดดับไปเรื่อยๆบางท่านก็เห็นนะจิตนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเพรามันไม่เที่ยงบางท่านก็เห็นว่าจิตเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะเพราะมันถูกบีบคั้นมันเป็นทุกข์ มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่ถูกบีบคั้นมันจะไม่ดับหรอกมันเกิดดับได้เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่บางท่านก็เห็นว่าจิตนี้ไม่น่ายึดถือเลยนะเพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเห็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งนะก็ปล่อยวางความยึดถือจิตได้ถ้าเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะก็จะเห็นว่าตู้อย่างไม่ใช่เรา ถ้าปล่อยวางความยึดถือจิตได้ก็จะปล่อยวางความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นจิตนี่แนะ่เป็นแกนกลางของชีวิตของโลกของจักรวาลเลยนะเป็นแกนกลางของการปฏิบัติเลย น, ะนั้นมาพอนานะมาเรียนรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยอาศัยรู้ผ่านเจตสิกนั่นแหละเฝ้ารู้เฝ้าดูนะถึงวันหนึ่งจิตมันพอจิตมันแจ้งมันจะคืนจิตให้โลกมันสลัดคืนจิตให้โลกไป แล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนะความพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเองทำไมเรียกว่าพ้นทุกข์จิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จิตยังอยู่ในขันห้าขันห้าเป็นตัวทุกนะข์นะขันห้าแต่ขันห้าบางตัวเขาไม่ถือเป็นตัวทุกข์พวกโลกรัตรจิตเนี่ยไม่ถือเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวพ้นทุกข์ขันห้าส่วนใหญ่คือขันห้าที่พวกเรามีนี่แหละเป็นตัวทุกข์ งั้นถ้าเมไหร่จิตปล่อยวางขันห้าได้ก็เท่ากับจิตปล่อยวางตัวทุกไปทิ้งตัวทุกไปจิตกับตัวทุกก็แยกออกจากกันจิตก็พลากออกจากขันนะั้นก็คือจิตพลากออกจากทุกนั่นเองจิตก็พ้นจากทุกงั้นเวลาเราพาวนาไปพอเราไม่ยึดถือจิตปล่อยคืนจิตให้โลกไปกเรื่องเราพ้นทุกจะเป็นพลากออกจากจิตพลากออกจากขัน mm hmm. ก็ภาวนาต่อไปนะมีชีวิตที่เหลือมีความสุขตามสมควร แกวิบากบางคนท่านมีชีวิตบางองค์ท่านมีชีวิตอย่างลำบากท่านมีวิบากของขันบางองค์ท่านไม่มีวิบากของขันถ้ามีชีวิตสบายหน่อยอย่างหลวงปู่ดุลไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรไม่ค่อยมีวิบากวิบากน้อยมากเลยบางองค์เจ็บป่วยตลอดเนยนอนเป็นอมมาพึ่งอมมพาดอะไรก็มีป่วยอยู่อย่างนั้นตั้งนานทาั้งๆที่ใจไม่เป็นทุกข์อะไรย่างเงี้ย แต่ว่าขันมันเป็นทุกข์แต่จิตท่านพลากออกจากขันให้จิตไม่ทุกข์งั้นท่านก็อยู่ไปเรื่อยจนวันหนึ่งขันแตกขันดับเราเรียกว่าปรินิพานมองด้วยสายตาข้างนอกก็ตายเวลาขันแตกขันดับท่านไม่เสียดายหรอกตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันแตกตัวทุกข์มันดับไม่ใช่ของดีแตกของดีดับเมื่อขันมันดับนี่แหละเรียกว่าความดับทุกข์ ดังั้นพระนิพพานเนี่ยมีสองนิพพานนะนิพพานหนึ่งเมื่อกิเลสสิ้นไปจิตหมดความยึดถือในทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสอะไรสิ้นไปจิตเลยหมดความยึดถืออวิชชาโมหะความโง่ความไม่รู้ความจริงของาธาตุของขันสิ้นไปจิตก็หมดความยึดถือขันนิพพานที่สิ้นกิเลสสิ้นโง่สิ้นหลงเนี่ยเขาเรียกว่าสอุปาทิเศ ส, สนิพพานก็ครองขันไป จนวันตายขันแตกขันดับเขาเรียกว่าขันนิพพานที่แรกเป็นกิเลสนิพพานอันนึงเป็นขันนิพพานขันนิพพานเรื่องอนุปาทิเสสนิพพานพระพุทธเจ้าของเราไม่มีขันนะไม่มีขันก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีการกระทบกระทั่งแต่ถ้ายังมีขันอยู่ก็ยังกระทบกระทั่งอยู่จึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นนะอย่างพระพุทธเจ้านย วันที่จะไปนิพพานเดินทางไกลยังกระหายน้ำเลยอยากฉันน้ำอยากดื่มน้ำพระนรไม่ยอมให้ดื่มองนี้มกน้ำขุนไปหรือท่านต้องถ่ายเป็นเลือดทรมานมากเลยเดินทางไกลเพื่อจะไปนิพพานที่กุสินาระทำไมต้องถ่ายเป็นเลือดเพราะมีวิบากเคยเป็นหมอวางยาคนไข้เจตนาวางยาให้ถ่ายเป็นเลือดยน้ท่านก็ต้องรับมีบาก เพฉน้พวกเราในสังสารวัฏเราตั้งใจนะอย่าทำคำชั่วทำแล้วไม่พ้นหรอกอยังไงก็ต้องรับวิบากให้ผลกับจิตไม่ได้แต่วิบากจะให้ผลที่ขันนะจะลงมาที่ขันอย่างพวกเราตอนนี้วิบากให้ผลในการเกิดได้นะแล้วจิตของเราก็ยังรับวิบากได้ขันของเราก็ยังรับวิบากได้ยังขันปัจจุบันก็รับวิบากได้ขันในอนาคตก็ยังมีอีกยังรับได้อีก แรความชั่วไม่ทำนะภาวนาไปเรื่อยๆสร้างแต่ความดีไอ้ที่ทำแล้วช่วยไม่ได้ต้องรับอะเชิญนไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ